ตอนที่สิบเจ็ดความในใจของเจิ้งอวิ๋นชงเจิ้งอวิ๋นชงนิ่งเงียบไม่พูดจาสิ่งที่หลีชิงผิงสื่อเขาย่อมเข้าใจดีเข้ามาดื่มน้ําสักแก้วก่อนสิคะหลีชิงถิงก้าวเท้าเข้าลานบ้านเมื่อเห็นเจิ้งอวิ๋นยางยืนอยู่ที่เดิมจึงเอ่ยชวนเสียงเบาหลีหวันรู้ความจึงเลี่ยงกลับห้องตัวเองไปไม่หล่ะครับดึกมากแล้วอย่าลืมล็อกประตูให้ดีนะครับเจิ้งหวินชงกำชับด้วยความเป็นห่วงเขานึกเสียใจอ ย, อยู่บ้างที่ตอนซื้อบ้านหลังนี้ไม่ได้เลือกให้ใกล้ก้า น, ก, านา ก, กว่ี ระยะทางขนาดนี้ยังถือว่าไกลไปหน่อยข้เดินทางกลับดีๆนะคะระวังความปลอดภัยด้วยหลีชิงผิงล็อกประตูบ้านก่อนจะไปที่ห้องครัวเพื่อต้มน้ําร้อนให้ลูกสาวแช่เท้าเตรียมตัวเข้านอนแม่คะถ้าแม่รู้สึกว่างานพนักงานเซิร์ฟมันเหนื่อยเกินไปแม่ลาออกเมื่อไหร่ก็ได้นะหนูเลี้ยงแม่เองลีวันเห็นหลีชิงพิงนวดน้องตลอดเวลาที่แช่เท้าวันนี้ทั้งช่วงบ่ายไม่ต้องทํางานตลอดการยืนานานๆไม่เป็นผลดีต่อขาทั้งสองข้างเลยแม่ยังสาวอยู่ไม่ใช่แค่เลี้ยงตัวเองได้แต่ยังเลี้ยงลูกได้ด้วยนะ ลิชิงพิงฟังคำพูดที่แสนจะใส่ใจของลูกสาวแล้วก็ซาบซึ้งใจเหลือเกินแม่ดีใจมากนะที่สามารถเลี้ยงดูเราสองคนแม่ลูกได้ด้วยตัวเองแบบนี้จากนี้ไปลิชิงพิงไม่ต้องใช้ชีวิตแบบที่ต้องคอยแบมือของเงินใครอีกแล้วเงินเดือนเดือนละสิหยวนเธอกับลูกสาวจะใช้สอยอย่างไรก็ได้ลูกสาวอยากซื้ออะไรเธอก็จะซื้อให้ตราบใดที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของเธอเธอจะตอบสนองความต้องการของเสียหวานให้ได้มากที่สุดลิชิงพิงเพิ่งจะสัมผัสได้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ในตอนนี้นี่เอง การมีลูกสาวอยู่เคียงข้างคือความสุขที่สุดแล้วแม่ขดดื่มน้ำข้าก่อนนอนหลีหวานส่งน้ำผู้วิญญาณให้หลีชิงถิงอีกแก้วเพื่อช่วยขจัดความเหนื่อยล้าสะสมมาทั้งวันหลีชิงถิงดื่มจนหมดแล้วล้มตัวลงนอนบนเตียงก่อนจะหลับสนิทไปทางด้านหลี่วานเองก็ยุ่งอยู่ในมิติส่วนตัวจนดึกดื่นถึงได้เข้านอนวันต่อมาหลีชิงถิงไปทํางานที่ร้านอาหารของรัตตอนประมาณแปดโมงครึ่งเธอเป็นคนที่มาถึงเร็วที่สุดครั้งนี้หลี่วานอยู่ที่บ้านไม่ได้ตามไปด้วย พอถึงเวลาประมาณสองทุ่มเจ้งอวินชงก็มาหาอีกครั้งแม่ของหนูยังไม่กลับอีกเหรอเจ้งอวินชงยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาเมื่อวานเลิกงานดึกดูท่าว่าหลังจากนี้คงจะเลิกงานเวลานี้ทุกวันยังคะหลีหวานสายหน้าเสี่ยหวานทานข้าวหรือยังถ้ายังไม่ได้ทานเดี๋ยวอาทําให้เจ้างวินชงคิดว่าหลีหวานอาจจะอยู่บ้านคนเดียวทั้งวันไม่รู้ว่าได้ทานข้าวครบสามื้อตรงเวลาหรือไม่ทานแล้วข้าแม่บอกว่าตอนเย็นไม่ต้องรอแม่กลับมาทานข้าวแม่จะทานที่ร้านค่ะ หลีหวานตอบหนูต้มบะหมี่ทานเองค่ะฝีมือการทําอาหารของเธอจํากัดอยู่แค่การต้มบะหมี่เท่านั้นเสี่ยววันเก่งมากเลยเจิ้งอวินเฉยด้วยน้ําเสียงเอ็นดูพลางยิ้มให้หลีหวานวันหลังถ้าแม่ไปทำงานหนูไปทานข้าวที่บ้านอดีไหมคุณย่าเจิ้งทําอาหารอร่อยมากเลยนะหนูชอบที่สุดไม่ใช่หรอคุณอาคะแม่บอกว่าเราจะไปทานของคนอื่นฟรีฟรีไม่ได้คาโบราณว่ากินของเขาแล้วปากจะสั้นเกรงใจจนพูดไม่ออก ตอนนี้หลีหวานมั่นใจเกือบเต็มร้อยแล้วว่าเจิ้งอวิ๋งชงมีใจให้แม่ของเธอแน่ๆและสถานะความสัมพันธ์ในตอนนี้คือเจิ้งอวิ๋งชงเป็นฝ่ายคิดไปเองข้างเดียวส่วนหลีชิงถิงในตอนนี้ในหัวมีแต่เรื่องหาเงินไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยคำพูดของหลีหวานแบบนี้ยิ่งเป็นการช่วยเพิ่มคะแนนความประทับใจในตัวหลีชิงถิงให้สูงขึ้นในใจของเจิ้งอวิ๋งชงที่แม่ของหนูพูดน่าหมายถึงคนอื่นแต่อเจอิ้งไม่ใช่คนอื่นนะเจิ้งหวิ๋งชงอธิบายกับหลีหวานอย่างใจเย็นเสียวานไม่ต้ออองงเกรใจอรอ ก็ได้แค่ตนหนูต้องถามแม่ก่อนหลีหวานไม่ได้ตอบตกลงเจิ้งอวิ๋นชงในทันทีอืมได้สี่เดียวอาจจะคุยกับแม่ของหนูเองเจิ้งอวิ๋นชงยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาอีกครั้งเราไปรับแม่หนูเลิกงานกันดีไหมไปค่ะหลีหวานสรุปว่าที่พูดอ้อมไปอ้อมมาตั้งนานที่แท้เขาก็แค่อยากไปรับสหายหลีชิงถิงเลิกงานนี่เองเจิ้งอวิ๋นชิงเข็นจั ก, กรยานออกมาโดยมีหลีหวานนั่งซ้อนท้ายอยู่ด้านข้างเวลานี้บนท้องถนนแทบไม่มีผู้คนแล้ว นาร้านอาหารของรัฐเหลือเวลาอีกหชั่วโมงจะเลิกงานหลีชิงผิงจากการล้างจานชามที่กองพเนเรนอยู่ในห้องครัวจนหมดแน่นอนว่าเธอแบ่งงานกับพนักงานเสร์ฟคนอื่นๆพอเสร็จงานก็ออกมาดูที่ด้านหน้าว่ามีโต๊ะไหนต้องเก็บกวาดบ้างหลีชิงผิงมือที่กําลังถือผ้าขี้ริ้วเตรียมจะเช็ดโต๊ะของหลีชิงผิงชะงักไปเธอเงยหน้าขึ้นมองหลิวเคอร์เคอดูเหมือนว่าคืนนี้สํานักพิมพ์ของนางจะมาจัดเลี้ยงกัน โต๊ะที่หลีชิงผิงกำลังจะเก็บกวาดคือโต๊ะที่พวกนางเพิ่งทานเสร็จพวกนางตัดสินใจไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แล้วกลุ่มคนจากสานักพิมพ์มีประมาณเจ็ดแปดคนทั้งชายและหญิงหลิวเคอเคอดูเหมือนจะดื่มแล้วเข้าไปไม่น้อยแก้มทั้งสงข้างจึงแดงระเรื่อสายตาที่มองมาดูแฝงไปด้วยความเหมืนเมาหลีชิงผิงไม่ได้สนใจนางก้มหน้าก้มตาเก็บโต๊ะต่อไปอ้าวไม่ใช่ว่าเธอไปอ่อยรองผู้พันเจิ้งได้แล้วหรือทำไมยังมาทํางานพนักงานเสิร์ฟกระจอกกระจอกนี่อีก หลิวเคอร์เคอหัวร้อยย้อยอย่างมีเลสไนหรือว่าเขาแค่จะเล่นสนุกกับเธอเฉยเยพอเล่นเสร็จก็เขี่ยทิ้งทันทีครั้งนี้โจเจี้ยนเย่กลับบ้านเกิดคนเดียวหลิวเคอเคอบอกว่าจะขอตามไปด้วยแต่ฝ่ายชายกลับอึกอักไม่ยอมให้ไปในใจนางก็รู้สึกหงุดหงิดอยู่แล้วพอดีกับคืนนี้มีงานเลี้ยงกับเพื่อนร่วม ง, งานนางจึงดื่มเหล้าแก้กรุ้มไปไม่น้อยหลิวเคอเคอคิดในใจว่าศัตรูมักจะเจอกันในทางแคบจริงๆไม่นึกเลยว่าจะมาเจอหลี่ชิงถิงที่นี่ ลี่ชิงพิงได้ยินดังนั้นก็ชะงักมือค่อยๆ ย, ยื่ตัวขึ้นมองนางอย่างน้อยเธอก็เป็นคนมีการศึกษาทำไมปากคอถึงได้สกรปรกแบบนี้แก้หาว่าใครปากสกรปรกฉันี่ยังเป็นสาวบริสุทธิ์สะอาดกว่านางผู้หญิงแพทย์สญายอย่างแกไม่รู้กี่เท่าลิวเคอเคอพูดจาตะกุบตะกักลิ้นพันกันด้วยความเมาแต่นางก็ยังแผ่เสียงอารมณ์รุนแรงลีชิงพิงเดิมทีแกก็ไม่คู่ควรกับโจเจี้ยนเ ย, ย่อยู่แล้วแกยอมอย่ากับเขานะ่อถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดที่แกเคยทำมาเลยละ่ะเคอเคอ ค, คนนี้ใครเหรอ เพื่อนร่วม ง, งานจากสำนักพิมพ์เข้ามาพยุงหลิวเคอรเคอไว้เมื่อได้ยินน้ำเสียงที่นางพูดดูเหมือนว่าพวกนางจะรู้จักกันมามาทุกคนฉันจะแนะนําให้รู้จักยีนี่แหละคือคนที่หน้าด้านที่สุดหลีชิงถิงสหายผู้เป็นอดีตเมียเก่าของผู้พันโจหลิวเคอรเคอพ่อนคําพูดที่แสนจะหยาบคายออกมาโดยไม่สนสายตาแปลกๆของคนรอบข้างที่มองมาเลยแม้แต่น้อยพวกเธ อ, อยาได้ดูถูกนางเชินตตอนที่ยังไม่เห็นนางก็ไปอ่อยหัวหน้าของผู้พันโจอย่างรองผู้พันเจิ้งวินฉงเข้าให้แล้วพวกเธอว่านางเก่งไหมละ่ะ ฮือ <u> <h> แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงต้องมาเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่นี่ฉันเดาว่าพ่อแม่ของรองผู้พันเจิ้งคงจะไม่เอานางหล่ะสิหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆลิวเคอรเคอร์ระบายคําพูดพวกนี้ออกมาจนหมดถึงจะรู้สึกสะใจนางต้องการหาโอกาสทําให้หลีชิงพิงอับอายขายหน้าให้ได้หลีชิงพิงไม่ยอมยาแต่โดยดีไม่พอยังทําให้ชื่อเสียงของเจี้ยนยินปีอีกนางก็แค่ผู้หญิงบ้านนอกที่ไม่เคยเห็นโลกกว้างชื่อเสียงจะสําคัญอะไรนักหนาเชียวหลีชิงพิงกำมัดแน่น ดูเทาว่าเธอจะมามากแล้วจริงๆไม่อย่างนั้นคงไม่มาพูดจาเพ้อเจ้ออยู่ที่นี่แกกล้าด่าฉันเหรอหลิวเคอเคอร์อชี้หน้าหลีชิงพิงแกเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟกล้าดียังไงมาด่าฉันแกไปเอาความกล้ามาจากไหนเชื่อไหมว่าฉันสามารถทําให้แกอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้พูดจบหลิวเคอเครอร์ก็วอยไวจะเรียกเท่าแก่ของร้านออกมาให้ได้หลีชิงพิงขมวดคิ้วทันทีหลิวเคอเคอเธอคิดจะทําอะไร